เป็นนามรูปะปริเฉทญาณถ้าปฏิบัติไปแล้วรู้สามารถแยกได้อย่างนี้เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณที่จริงก็ควรจะมีโยนิโสมนสิการไว้เสมอคือปฏิบัติอยู่เสมอคำนึงอยู่เสมอกำหนดอยู่เสมอว่านั่นคือรูปนี่คือนามเหมือนกับว่ามีวิปัสนาจิตอยู่เสมอไม่ต้องไปเข้าพิธีกรรมก็ได้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 แต่งตัวก็เหมือนกันสักแต่ว่าแต่งให้มิดชิดป้องกันหนาวร้อนปิดบังความละอายสักแต่ว่าคือไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางมีพระบางรูปท่านว่าหม่มสักแต่ว่าหม่มแล้วจีวรท่านไม่ซักเลยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามผิดวินัยท่านต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นสมมติสัจจะอะไรเป็นปรมทัสสัจจะ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 ตาปิโนชายโตบรามนัสสะอัฏฐสะกังขาวาปปัญติสับบายโตปชานาติเสเหตุธรรมังแล้วตอนหลังทรงเปล่งอุทานเหมือนกันกับวักอื่นๆต่อมาเปลี่ยนแต่วักสุดท้ายว่าเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งเหตุปัจจัยนี่คือเรียกว่าได้รู้แล้วในสิ่งนี้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 นอกจากจะเสียแซงก็เพราะว่าใจเสียแซงก่อนบางทีรูปเป็นเหตุนามเป็นผลเช่นร่างกายหิวเพราะหมดเหตุปัจจัยคืออาหารก็ทำให้จิตใจกระวนกระวายงดหงิดปุ้งซ่านโกรธง่ายเป็นต้นยานที่กําหนดรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เรียกว่าปัจจัยปริกขหายา การกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปก็คือรู้ว่ารูปประธรรมและนามธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรและรูปนามเป็นปัจจัยแก่กันอาศัยแก่กันด้วยยานที่สองนี้จะตรงกันกับกังขาวิตรณะวิสุทธิในวิสุทธิเจคือในกังขาวิตรณวิสุทธิท่านจะอธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะ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 สามารถจะล่วงพ้นความสงสัยวิจิกิจฉา16ประการเสียได้วิจิกริชชา16ประการเป็นอดีต5อนาคตหปัจจุบัน6เช่นยกตัวอย่างสั้นๆวิจิกริชชาในอดีตเช่นในอดีตเราได้มีไหม่หนอในอดีตเราไม่ได้มีหรือหนอในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอ ในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรแล้วได้เป็นอะไรหนอมันจะโยงเข้าหาเรื่องพวกนี้นะครับวิจิกิจฉาในอนาคต5อย่างว่าในอนาคตเราจะมีหรือหนอในอนาคตเราจะไม่เป็นหรือหนอในอนาคตเราจะเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอ ในอนาคตเราเป็นอะไรแล้วเราจกเป็นอะไรหนอะวิจิกิชฉาในปัจจุบันหกว่าเรามีไหมหนอะเราไม่มีหรือหนอเราเป็นอะไรหนอะเราเป็นอย่างไรหนอะสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอะเขาไปไหนหนอะนี่อยู่ในปัจจยะปริคหายานทั้งนั้นฉะนั้นจึงต้องโยงไปถึงเรื่องกรรม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 โดยปริยัติมีสโดยปฏิบัติมีหนึ่งโดยปฏิเวทมีสโดยปริยัติมีสคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยปฏิบัติมีหนึ่งคือเมื่อพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งจะพิจารณาอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนาตตาก็ได้เพียงอย่างเดียวในเวลาปฏิบัติถ้าผู้ใดมีอุปนิสัยในการพิจารณาอนิจจัง เมื่อพิจารณาอนิจจังแล้ววิปัสสนาญาณเดินได้สะดวกก็ให้พิจารณาอย่างนั้นแล้วทุกขังกับอนัตตก็จะปรากฏให้เห็นด้วยสมมติเรานั่งปวดหัวเขา่าเลอะเกินพิจารณาทุกขังเมื่อเห็นทุกขังชัดเจนแล้วก็จะเห็นอนิจจังด้วยเห็นอนัตตาด้วยบางท่านก็มีอัทยาิยสายในการพิจารณาอนัตตา เมื่อพิจารณาอนัตตาแล้ววิปัสนาญาเดินได้สะดวกก็ให้พิจารณาอนัตตาไปแล้วเมื่อเห็นอนัตตาชัดเจนแล้วก็จะเห็นอนิจจงด้วยเห็นทุกขังด้วยเห็นทั้งสอย่างเราปฏิบัติอย่างเดียวพอเห็นก็จะเห็นทั้งสมอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปฏิเวทมีสาปฏิเวทคือการบรรลุการได้ผล การได้รับผลผลของการปฏิบัติคือปฏิเวทก็จะได้ทั้งสมอย่างปฏิบัติอย่างเดียวแต่ก็ได้ทั้งสามอย่างในบางแห่งพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายะดานิจจังตงังลุกขังยงังลุกขังตังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตามีความสัมพันธ์กันอยู่ ยะดาะนิจจังตังดุก ข, ขังตังอนัตตายะดาะนัตตาตังเนตังมะมะเนโซหะมัสสมินาะเมโสอัตตาติสิ่งใดเป็นอนัตตาควรหรือจะยึดสิ่งนั้นว่าเป็นตนเป็นของตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนี้การพิจารณาสามัคญัญนะครับ ยานกำหนดพิจารณาไตรลักษณ์คือพิจารณานามรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอันนี้ก็จะมาเข้าวิปัสนาญาณเก้ายานที่สอุทยพ ย, ายาัญญาญยานเห็นความเกิดและดับของรูปนามชัดเจนขึ้นไตรลักษ์ชัดเข้าจิตจะดับวูบเป็นคลาบ ผู้เจริญวิปัสสนาจะรู้สึกว่าวูบลงไปเหมือนคนตกจากที่สูงเพราะว่าจิต ด, ดับให้เห็นต่อหน้าต่อตาที่จริงความเกิดดับของนามรูปนี้ก็มีอยู่ให้เห็นเสมออยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏแก่ผู้ไม่ได้เจริญวิปัสสนาปรากฏชัดสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาเหมือนความชื้นในไอ้น้ำมีอยู่เสมอในอากาศแต่ไม่ปรากฏแก่เรา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 บางทีก็เรียกอุทยพยานุปัสนาบางทีก็เรียกตารุณาวิปัสนาคือวิปัสนาอ่อนๆวิปัสนูปะกิเลจะเกิดขึ้นในยานนี้เฉพาะท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตรงตามแนวของวิปัสนาถ้าปฏิบัติผิดวิปัสนูปะกิเลจะไม่เกิดถ้าเทียบกับวิสุทธิ7อันนี้ก็จะตรงกับ มัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดของญาณทัศนะที่พิจารณาว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางเหมือนกับไปถึงทางสองแพร่งว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทางถ้ารับวิปัสสนุปกิเลสได้ไม่ติดในวิปัสสนุปกิเลสคราวนี้ก็จะเข้าทางที่ถูกต้อง แล้ววิปัสสนาก็จะดำเนินต่อไปด้วยดีถ้าไปหลงอยู่ในวิปัสนูปกิเลสก็ติดอยู่ในวิปัสนูปกิเลสมันเป็นสิ่งย่วยวนให้ผู้บาเพ็ญวิปัสสนาเข้าใจผิดผู้เจริญวิปัสสนาในทางที่ถูกไม่ใช่เดินผิดทางและก็ยังไม่ได้สำเร็จมากผลทำไปทาไปวิปัสนูปกิเลสคือธรรมที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาจะเกิดขึ้น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 คามสงบตายกายสงบนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างไม่เหน็ดเหนื่อย 4. อธิมโมกความน้อมใจเชื่อศรัทธาแรงกล้าเกิดขึ้น 5. ปักคาหะความเพียรรุดไปข้างหน้าไม่รู้สึกเบื่อนหน่ายทําความเพียรไปเรื่อยหกยานความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้มาก่อนแล้ก็เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้น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 อันนี้ก็เป็นหลุมพรางทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ได้เห็นก้าอุเบกขาความวางเฉยสิบนิกันตะความคล้ความพอใจพอใจในวิปัสสนานั้นเมื่อวิปัสนูปกิเลทั้งสิบประการ น, นี้เกิดขึ้นผู้บำเพ็ญเพียรมักเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้ว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 แต่ถ้าไม่ไปทางนั้นก็ไม่เห็นฉะนั้นผู้ที่บาเพ็ญวิปัสสนาเมื่อมาถึงตรงนี้ต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะให้ดีคือต้องรู้ไปก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนี่คือความสาคัญของปริยัติหรือมีอาจารย์ใกล้ชิดตอบว่าสิ่งนี้คืออะไรมิฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้อิโนอิเนมาทําวิปัสสนาพอมาเจอสิ่งต่าง ก็หลงไหลในสิ่งเหล่านี้คือคิดว่าได้บรรลุแล้วก็จะพลาดสิ่งดีงามที่มีอยู่ข้างหน้าอีกเยอะแยะฉะนั้นก็ต้องบำรุงสติสัมปชัญญะให้ดีขึ้นและคอยพิจารณาอยู่เสมอว่านี้ไม่ใช่ทางและพยายามละวิปัสสนูปกิเลสดนั้นเสียทำความเพียรรุดหน้าต่อไป นี่ถ้าเทียบกับวิสุทธิ7นี่คือมัคามัคยานัทนะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้เห็นว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางคราวนี้รู้แล้วว่ามาถึงทางสองแพร่งควรจะไปทางไหนตรงนี้นี่เป็นปัญหาหลายคนตอนเป็นคราวาดอาจจะมีความรู้สูงอ่านตำรามากพอบวชก็อยากปฏิบัติเลย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 อย่างที่บอกแล้วว่ามีสิ่งต่างๆปรากฏให้เห็นเหมือนมีที่ผจักสุมองเห็นปรโลกก็เข้าใจว่าได้บรรลุแล้วอย่างอุปฐานคือน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นก็ได้เห็นซึ่งก็เป็นสิ่งเล็กน้อยสําหรับผู้บาเพ็ญวิปัสสนาเท่าที่ฟังมาก็พวกที่ติดสุขนั่งไปแล้วมันสบายเรื่องทั้งหลายที่เคยมีก็ไม่ได้คิด คือแค่ปีตินี่ก็เยอะแล้วทาให้คนหลงไหลได้เยอะเพราะว่ามันเป็นอมานุสีปีติปีติที่ไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดาในสภาพที่เป็นมนุษย์มามีชีวิตมายุ่งอยู่กับงานกับการไม่เคยได้รับรสของความสงบซึ่งทาให้เกิดปีติที่มนุษย์ธรรมดาไม่เคยได้รับ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 แต่ไม่เหมือนคนบ้าเพราะคนบ้าไม่รู้ตัวแต่คนได้ปีติในวิปัสสนาเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่บังคับไม่ได้ว่าจงอย่าหัวเราะอย่าเป็นอะไรตามที่ปีติมันเป็นไปเองจนกว่าปีติจะคลายลงเมื่อคลายแล้วก็สงบยานที่ห้าเรียกว่าพังทยานยานที่เห็นความดับของนามรูป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 ทีนี้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะละนิมิตสามอย่างได้คือ 1. นึงอุปาทานิมิตความสำคัญหมายว่าเกิดสองทิตินิมิตความสำคัญหมายว่าตั้งอยู่สามปวตตนิมิตความสำคัญหมายว่าเป็นไปคงเหลือแต่เห็นความแตกดับอย่างเดียวเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะคลายความกำหนัดยินดีเสียได้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 รบทั้งสามปรากฏเป็นเหมือนหลุมถ่านเพลิงสังขารทั้งปวงปรากฏเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเป็นโรคร้ายเป็นสิ่งที่น่าคับแคนไม่มีรสเต็มไปด้วยกองแห่งโทษนานาประการเหมือนป่าชัดแม้จะมีอาการว่าน่ารื่นรมแต่ก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนาน า, นาชนิดน้ำเหมือนมีจระเข้หรือปลิงอาหารประดุดเจือด้วยยาพิษ ที่อยู่อาศัยเหมือนถูกไฟไหม้จึงไม่ยึดมั่นผูกพันด้วยตัณหาอุปาทานอันนี้คือลักษณะของอาทินวายาณญาณที่8นิพถญายานญาณที่เกี่ยวกับความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นคือว่าไม่ต้องการพบหรือกำเนิดใดๆเพราะเห็นว่ามีพบก็มีทุก์ตามมาด้วยจิตก็น้อมไปในความสงบมากขึ้น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 ก็น่าจะได้ทั้งสองอย่างในส่วนที่ช่วยเขียดก็ได้บุญส่วนที่ไปแย่งงูก็ได้บาปก็ช่างดูบุญบาปไหนจะมากกว่ากันเหมือนฆ่าไก่ไปใส่บาตรส่วนที่ฆ่าไก่ก็เป็นบาปส่วนที่ใส่บาตรก็เป็นบุญก็เป็นบุญละบาปจิตดวงแรกเป็นกุศลว่าจะใส่บาตรแล้วก็เห็นไก่ว่าน่าจะทำอาหารไปใส่บาตรก็เป็นอกุศล เหมือนอาบน้ําโคลนมันก็เย็นๆบ้างแต่ก็ไม่สะอาดทีนี้เราจะใช้อุเบกขาว่าสับเบสัตตากรรมมัส ก, กาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนถ้าอย่างนี้ถึงคราวที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันล่ะสมมุติคนกินยาบ้าแล้วไปจับตัวผู้หญิงเป็นตัวประกันแล้วเราจะสับเบสัตตากรรมมัส ก, กาไหมมันก็ไม่ได้ต้องช่วยแล้ว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 ทำน้ำหอมทำสมุนไพรมารลูบไล้ร่างกายปลนเปรงงูอยู่ปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านล้านถ้างดเรื่องนี้ได้จะช่วยได้เยอะลิปสติกแท่งหนึ่งก็หลายร้อยบาทคนมองไม่เห็นว่าสังขารเป็นศัตรูท่านเปรียบไว้โดยตรงเลยว่าขันห้าเหมือนศัตรูที่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ทำให้เจ้าของบ้านตายใจจนหลงรัก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 ด้วยเห็นว่าเป็นทางของความหลุดพ้นคือไม่รักไม่ชังไม่หวงแหนไม่ยึดถือท่านเปรียบเหมือนชายที่อย่าขาดจากภรรยาแล้วไม่สนใจต่อเธออีกต่อไปเมื่อถึงยานนี้สติปัญญาจะดีขึ้นรู้สึกปลอดโปร่งจิตใจสงบดีมากความรู้สึกต่างๆละเอียดสุขขมลมหายใจจะเบาลงมาก เพราะจิตละเอียดนั่นเองสังขารในที่นี้หมายถึงเบญจขันธ์รูปและนามจะเรียกว่านมามมรูปก็ได้ยานที่12อนุโลมยานใช้เต็มว่าสัจจานุโลมิกยานแปลว่ายานอนุโลมอริยสัต์คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงตามที่ยานทั้งหลายทุกประการข้างต้นประมวลมาให้เห็น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 ส่วนยานอื่นๆเปรียบเหมือนคณะผู้พิพากษาเหมือนพระราชานั่งฟังอยู่เขาประมวลมาดีที่สุดแล้วก็ทรงอนุโลมตามยานที่13โคตรรภูญานเห็นอริยสัจแล้วนะครับต่อไปจะเข้ายานที่13จะไม่ถอยกลับแล้วนะครับเรียกว่าโคตรรภูยานยานคร่อมโคตร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 มรกายานเกิดขึ้นแล้วจะปิดอบายได้โดยประการทั้งปวงยานนี้ไม่ถอยกลับอีกผู้มาถึงขั้นนี้แล้วเป็นโซดาบันแน่นอนมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานี่ได้มรกายานแล้วยานที่15ผลเลียนยานในผลคือสืบเนื่องมาจากมรกายานนั่นเองเหมือนความสุขสบายที่เป็นผลของการหายจากโรค